สัาวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสัาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสัาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะ ข้าพระเจ้าทั้งหลายชาวไทยเรียกว่าสาวโยนุกแต่เก่าเรียกไทยฮันชาวไทยหันนี่ได้รับรอยพุทธบาทแต่เจ้าผู้ชะตามาสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาจังหวัดจอมทอม พระเจ้าอาลาวิสมีชี้เงี้ยเดียกเดียนกินมนุษย์เมื่อหกหมื่นคนเรียกว่าอาลาวะตไงเงี้ยภาษาเนียวว่ากินหัวภาษาไทยเราเรียกว่าฆ้ากินคนภาษามาคุศ อาลาวัตถะเนี่ยสมัยพระเจ้าอันลาวีที่ชิดสีวัชระพระศาสดาะเด็ดมาผู้ฆ่าทั้งหลายมัดในสักกุลไทยไทยเหนือไทยใต้ตลอดสิงกัปโปลฆ่าพระเจ้าขอไหว้รอยพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้านิพพานมา สองพั่รยางแล้วพุทธคัมภัมมังสังคังข้าพเจ้าเทพุทธมีพระสงฆ์สมเด็จสกจะตลอดมาเสริคุณตาคุณยายเสริมปัจจุบันนี้อาห้างวันทานิสัพพชาเข้าร่บมเข้า t ระโพธิเก้าไม่เป็นพระละหันสักคูามตาเป็นเชิดดูเห็นหมดมันอุ จะวางลับพุทธได้พระองค์ถึงเสด็จมาลบบุรีแม่เจ้านางศรีธาตุเป็นเจ้าเมือ ง, งมาเหยียบรอยพุทธบ า, าทได้ใส่เสื่อพุทธบาทลบบุรีนี่เป็นลอยชิ้หนึ่ง ที่สองเมืองตะกะศีละสี่ร้อยสมวัตตาทำเพือสานเงาแม่น้ำวังรลวมตาไปภาวนาอยู่นั่นหลายวันได้กลับไปไหวสามทับบากเชเก้า ลอกอยู่ในจังวัดเชียงใหม่โดนตาแก่ได้ไปภาวนายอยู่ท้าบาทเมืองพระโคฝากน้ำโขงฝ่าโน้สนสมัยพุทธายอดฝ่าสุลาโลกเป็นพระเจ้าแผ่ดินสรังเศสมีอิเซทนไส้แก้วมาลบ ได้ต่อสู้กันพวกทบานฝรั่งเศสสู้อำนาจไทยไม่ได้ส่วนทบานเมืองพระโขนายตายเป็นสแขกยกตาไึ้ไปแล้วพาผู้ทบานตาเมียสี่ร้อย ล้อมตากระเดดไปแล้วถ้าบาทบอบบกจังหวัดอุดรล้อมตาได้ก็ทำความเพลินอยู่นั้นหลายภาษาถ้าบาทเรียงจันท น, น, น, น, น, น์ขันขนแทงล้อมตากระไปถ้าบาทขอแก้มจังหวัดหนองคายล้อมตากระไป ถ้าบาทควายเงินช้ำวัดเลยอำเภอเชียงคานเรื่องตาเข้าขไปถ้าบาทจอบสีเมืองหลวงพระบางเรื่องตาเข้าขไปถ้าบาทโก้สามทีไปอยู่ข้งสอนเดียนนี่และลอยพุทธาบาตรทิศอำเภอ สันประดองพระบาทอย่านี้เมื่อขี่ออกนั้นขี่เหี้ยใส่ผ้าพระมหาอานนท์เอาผ้าไปตากเรียกพระบาทกาดผ้าเมื่อสันยูลแล้วนี่ละรักพุทธบาทเป็นมาอย่างนี้หมายให้รู้แต่พระบาทพกาศราีมา ลวงตาไปทำความเปียนอยู่ได้ไม่มิดมีะอาลรเงยสององค์เป็นพระโูราณลับปกมีลูกมังกรลงมาใต้ดาวสองแสนมากเลยกราบถามพระว่ารอยพุทธบัติเป็นมาอย่างไร ท่านกำบอกว่ารอยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์แค่เปลี่ยนแปลงเป็นพระอนาคาให้เป็นลูกชายถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นออกจากโลกุณระมาแล้วมาอาศัยโลกิณะแสดงให้เป็นลูกนิมิตอย่างข้าพระเจ้าเป็นพระ เชื่อข้งค่าข้ามหาเึ้นองค์นั่นืมชักอันนี้ความเจงของข้าพเจ้าได้เห็นว่ากล่าววอย่าว่าข้าพเจ้ากล่าววุฒิเลีนม่ชัทำผู้ใดว่าก็ว่าเถอะเป็นอาเทสุนธ์นี่ทำสิ่งมาข้าพเจ้าไปภาวนาอยู่ทกลบไว้ เข้านิพพานก็ห น, นึ่งนิสุนออกจากลมแล้วจด็กเป็นอรหันมอยางดาวยังอาศัยสวรรค์หกเป็นรลกอยู่พร้อมเชื้อหกเป็นโูกอยู่ถ้าออกความแล้วเรียกว่านิพพานไม่นิพเกิดไม่ตายย่างดาวครับดาวไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนี่ละจริงสวายเลย แต่สำเด็จชักระวคุณตาคุณยายผูย้ะช่วยาสนาพระอรหันต์ในแม่ทายข้างเอาเอฮิเกุฆ่าร้อยพระองค์แก้ยังสองพระองค์อุตลรละษีอัชลารีละศีจำวัดจงตรงเมืองข้ายาก ยังไม่ท่านสวายพระเกลิงต่อเมื่อท่านมีใจมาจะสวายพระเกลิ่งเนื่อ n พระกษัต n ิย์อยู่ที่พระวิลก่งเรื่องนี้เวลานี่ยท่านลำ็นเนปาลเปลี่ยนไปเริมเชเมืองเก่งเนปาลองนั่นง จังหวัดเชียงตรงนี้งั้นมีสาบองค์ขอโทษขอากราบขอไหว้พระปุชชะตาพระชะตาที่อยู่บนขุนเข่งนั้นข้าพระเจ้าได้ประกาบไปไว้แล้วแต่ขอโทษ ขอทแกขันก็ได้ไปนาเจ้าคุณปูจ้คุณตาสันเด็กแคกระลาว่าใจพาไปก็ไม่ใช่เรียกมาทำไปที่หนึ่งไปปันถึงให้ยายขาวผู้ปานีโบนะนายวงคํำเข้ากระละ เวลาที่การวิสาเทศพงุวุไม่เปิดอยูมาได้สามปีไปแล้วผู้มั่งมิมุนิเจ้านักเก้ามันไปถิดแล้วนั่นละนายเก้ามัี้หรอกได้ถามมัายทำยังไงขอโทษ ถ้าอาจารย์พุทธซือบบ้อครับป้อมซื้อาว่าพุทโธจ็ดทีเอาใส่ไขออกที่ตามตามนิน้ว่าฝังก็ไม่ใส่โู้ังก็ไม่ใส่รากพุทโธเจ็ดทีเอาชิ้น้าใส่ไขออกสลุกตาแต่เข้าไปทันทีเอาหัวเข่างัด เย็นมาเฉิงหัวมาเฉ็งหัวแบบอนขวังข่าทิศนี่ละเงาประมาณข้าศพเกียงสูงประมาณศพหนึง่งแล้วมีเท็ปยังลูกเปย์ย่อนลงมาแกะนวดไม่มีเบสท่า เอาผ้าห่มเอาตีนเข็มอยู่มือนอนโปกหน้าออกอยู่งามที่สุดเขี่ยวก็ไม่รอนได้กราบเ้ยว่ขอโทษจมเอาจมูกดมไม่มีหอมไม่ไม่เห็นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะกราบสาที าการพัดิออกมาออกมาท่าเก่าพอออกแล้วปัตตูเรกก็ขะดุ้งนอนดินี่จะว่าฝันก็ไม่ใช่ปัตตุกจะต้งนอนอยู่ในขามดินี่แหละใครจะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบดก็เป็นอาชีพจะว่าข้าพเจ้าขี้บดก็เป็นอาชีนี่ความจริงของ ข้าพเจ้าได้ทำความดีมาอย่างนี้ขอถวายคำอันนี้ที่ดิณไถ่อันนี้นิถกยเถอะจนตายขึ้นไหนโลกเมือนชาสขึ้นไหนโลกชาตนี้อันนี้สงฆ์เจริญพรทโทให้ผลเป็นนิถัยผู้ผ่านย่อมเห็นเอาตานพุตนาซาสนางตติ ตถาค้าวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมต a าค้าวโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะณโมตัตโอรหัตโสัมมาสัมพุทธะท้อาจารย์ตูอาจารยธรรมโมได้บวชมาแต่อายุยี่สบเ็ดวัาิเจ็ดสิบสี่อายุเก้าสิบ้า ไปวินี่ละเจงขอข่าวไว้ขวายแก่สมเด็จชักราศเจ้าท่านเจ้าคุณท่านมหาคุณตาคุณรายผู้เสียข้าสนามทรงอนุโมทนาสาธกการเพื่อครับ สุลณะมะฮิริงันคุชะเสชันนัมบิตาวาปาสาทังมะลายัางคุชิเจ้าเนทานไปแล้ว6กร้ยปีเป็นปัตตานีอุปปาตกอุ ป, ปสัสกาคู่น่งหัวก็มีสินคา เนือก็มีสินธาได้รับพระไตชนคมสามแต่เก้าพระไตชนคนเก้านะโคทังสนางคาชามิตาก้ขวาเป็นพระโเจ้าชำมังคาามิหูกําขวาเป็นพระทม ทางข้างข้าศนี้จมูกกาขวาเป็นประสงค์คุณพระเจ้าพ่อทูยามตีผู้ทางค้าศนี้ตากำซ้าเป็นพระพู้ดุจเจ้าทูียามตีขมังข้านี้หูกำซ้าเป็นพระธรรมทูียามตสังานี้จมูกกาขวาเป็นประสง์คุณพระเจพอสาม เขาจะแม่สามเป็นโคกพระองค์ยังสามพะองค์ต้ที่จิดพุทธธรรมจะน้าษานี่ปากของเราไม่ละพระพุทธเจ้าต้ที่นำปีสมังเซนขาษาเล่นของเราพระธรรมตะาที่นปิดินในไกน่ละว่าเก้าแต่ล้อมเข้าเรียกสามพุทธโธรัมโมชโค หัวก si si so ็มีพุทโทธโมสะโกเมื้อก็มีพุทโธมสโกหัวก็มีสซ็นห้าเมื้อก็มีสนห้าเซนห้านี่ละเป็นที่เกิดพระอรหัเป็นเีืเกิดพระปฏกรพดเป็นเชื้อเกิดพระติเจ้าเข้าเซ็นห้าเข้าขา เข่าแขนเข่าข้าขอครับเมื่อเป็นคู่แล้วนะพระอรหังลงมาเกิดถ้าสายขันทาคุณตาคุณยายเกิดบ้านของคุณต า, าคุณยายอยู่ใกล้ภาษาไทยเราเรียกว่าดอกเกิด บ้ากอดดอกเกียงทับขบปาในรังอยู่ในทออของคนใหญ่ซ้ำไม้ไม่นักพกนักใจท่วยเช้นเดียนและข้อตอกเป็นวุฒทชายเบ็ดดามมนดาเป็นพระถายไว้เป็นลูกศิษย์พระมหาเิระเอาดอกบัว ไปถวายกับโลกเป็นลูกบุญธรรมก็เรื่องไว้ท้านใหญ่ลู้ภาษาแล้วสเสร็จไปก็ไปถวายท่านมหาชีระมหาชีระเจ้าหลักไปสอนกอขอ้กอกอคาการภาษาไทยเนืออักษรทำขั้นสอนขอมเมื่อสอนได้แล้ว ขับความบวชสำเร็จล้ก็บวชให้เป็นเจ้าส ม, ม, มานในนเรนกรรมฐานภาวนาบาลีปุญญวิสติบาลีบุญคอ้นะอพิเศษก็บวชให้เป็นพระขันเป็นพระลาจักโลคามุลาเสนาสนังว่าเจ้ามอมให้เจ้าขุนหลาม จงรูร้โลกข ม, มุนจนไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อาศัยตในไม่กิจอยู่รักษลูกกับป่านิทานกับป่ารักษาท่านก่อรักษาสุดแรงควัตญสารเข้าวันละหนมีธรรมะเด่นจังปรมทำเป็นจังปรมนัก นัพุละละทโธนัคธรมโธนัคสังโธนัคพุโธอรหังนัคธรรมอรหังนัสังโธอรหังไม่สามวัตรสามฤกษ์สัตว์อรหัทตานี่และลัธรรมไม่แยกนอนพอมนอนเพศนอนไม่ตะออกสามฤกษ์อรหังตาแล้วบนที่ในโลชันัง าาเชื่อเบินทงาวเรืนอังขำตาเลี้ยวปาซกอุ ป, ป, อปกิณการคุ้หัวกระลักษาสิบห้าเลี้ยกระลักษาสิห้าวันแต่ค่ำอธิษฐานชุดแสดเมตมไม่เป็นหัวเป็นเนียกันนอกกปน็นธรรมดาพุปาสกบห้าไปหาผักครับหลวงคืน ไปเห็นดอกบัวแปดดอกอยู่ในหนองสารเจึงเจ้าดอกบัวแปดดอกได้ได้เดินมาเจึงไปพรบพระเป็นเจ้ากินซะบ่าว่าข้าพรเจ้าขอถวายดอกบัวแปดดอกแก่พระผู้เป็นเจ้าตามพุดธทางดอกบัวแปดดอกให้ข้าพะเจ้าบูชาพระพุทธพระธรรงบูชาพระอรหันต ข้ามลายก็รับเอาแล้วป้าศพไปฉมากพูดต่อทำงานนาบวงธรรมุทนาสาสุกัยเพราะสาเหนือได้ถวายดอกบัวแก่ข้ามลาข้ได้ดอกบัวแล้วขาก็ขข้ามดูอ่อทิ่ข้าพุทจาขอจากอุทธรัมันดา ก็ยบูชาแล้วเชฟพระพุทธเจ้าสังเขาะงานสุดาก็เดยบูชาแล้วพุทธเจ้าตักเที่ยในเนนนเนนก็บูชาแล้วเพุทธเจ้าท้ามนะนน้กพุทธาก็าดดาได้บูชาแล้วเพุทธเจ้ า, า, นนนาจไาาานนปเชิิในประเทศเชิกรุงปุชิลลาบูชาแล้ว ที่พูดไม่จบมองข้ามกแล้วที่พูทไม่จบไิ่ทานก็หาแล้วยังจะทักก็เกิดสื่งมันนี้จะไ้พูดไม่จบว่าลักษณะของข้าพเท้าโซดาแมกโซดาคนเป็นข น, นาพเจ้าโซดาตัว สาเคชาคามักสาคิดชาผลเป็นชาเขชองาหลเทศโตอาณาขามาาขักอาณ า, ข า, า, าขาผลทีส่สามชาเหลเทโตอาหันตามักอาหันกับผลชาเขอไปปากเาาาชี่ยาหอาศัยช่นเจ้าเทียนยัยบาชีลาเชฟขมัดมลิกา ในตาวัตถินสาเนื่อไปนั่งอยู่ครับแล้วให้ ญ, ญาอินทาเทราต้นตินไงในตาวัตินตาถึงพระมาลัยมาจึงนเข้ามาถึงพคดทางวัฒนานียวมไหวกับโคดส ม, มังวัฒนานี ย่อมไม่เสามสามเา่เนย่อมไม่ผสมงเขาผู้เนจ้ามาจากที่ไหนเขาไวเขาพบอทิพย์พลังอาหอัตมามาจากหลังกาสวิสสมภูสวิสเขาดอกบัวมาบูชาท่านเจ้กศรัมมณีที่เด็าวเรจากขาสามไห้ครับ เป็นอาะัะคนไปเทิดดอกไม่ดอกบัวอย่างคนชาวบ้านใช่ไหมล่ะคนชาวบ้านนี่ต้องเดอกไม้ดอกบัวถ้าพวกเป็นเจ้าเป็นอาะละคน่ะทำไมไปเล่นของบระสงฆ์พวกเป็เจ้าถวายพระพรดอกพิพละท่านขา อาตมาจะพูดนะเมื่ออาตมาเกิดมาเกิดจากโลกินะพ่อกับโลกินะแม่กับโลกินะเมื่ออาตมาเกิดมาเป็นเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่เอาไปถวายพระมหาเถระนีดอกบัวเมื่ออาตมาจะบวชเป็นเล็กก็มีดอกบัว ถ้าไ <c oughs> ม่จะหวดจะฟ้าก็ไม่ดอกบัวม่ไมดอกบัวแล้วแม่อาจจะมาบันรุษทำเนี่ยอุปปัก น, น้าเอาดอกบัวมาทำไ้อาจะมาจะได้เอาดอกบัาาาวปัชชมาปัจนกรนข้าขันห้นาไ่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ขันห้า ไม่ต้องมีดอกบัวลูกเวทนาธนาคาถาเนี่ยนะเป็นโลกุณะใจเป็นอรหันต์กจ็จะโทษจากข า, าเป็นอรหันต์แล้วไปยังกินข้าวอยู่สวายพระพรถพระเอกรยแคร์พระภูเจ้าวอาตมาขึ้นมานี่ยว่าพระเององนี้ลักลูกสาวเขาไม่ใช่ ที so ơi, b à, b à ่เราไปเสนอเปป่าเปล่าไยที่ต้องเปล่าเลยทำไมกินเนื้อแดงจังโอ้ยนี่ผขัดขเมื่อโยมเป็นนาทีหนามาด๊กนาทีน้อเสนอปลาลูกเขยไปค้ำพวกเรา ถ้าไม่ทำกับเขาเขาจะเอาเราขาวน้อมกวดแสดงมาเกินเก่งเก่เอาเรามาเดินกิดๆกเกิดเกิดเรา้วรู้แล้วน้วกระจายออกเสรไปเรื่องสุดเจ้าออาตมาเชื่อว่าบอกงี้พวกนี้ยิ่งตังตังยู่คนแต่รักอารมก์เขาวนละท้าไมเป็นใครอีกนัก โยมเขา ร, รปัญชัมนะจอะโมนี่นะนางทีนงงงนน่นางมารกกันของโยมนี่ไม่เมียสี่คนนางนางสู้ชะมาสูนาา้นาาอุตลา้ากันทำผลทางให้สะดวกๆผลทาง้ากันทำาพึ่ ามมาคาา่ า, า, ามักโกชนกโกติดตัวซากโกติดตัาซหมายนายอำเปอไปช่องต่อค่าหลวงประจจังหวัดว่าคนช่วงนี้คิดทำลายเด็จขาหลวงประจจังหวัดไม่คิดจะหาเหตุให้ตำวผู้แทนตมาฆ่าฟันได้าบคงกล้าก็ามกามไม่ตาย ให้ชาติแทนพละอันนี้สมาักุลแร่งชาตกแทนได้เมื่อเห็นอย่างนี้จังหวัดให้สร้างเึ็นานะย้อมกาวส้างรากไม้สำเร็จแล้วสร้างน้ำบ่อบ่อหนึ่งไปเอาไม้ไผ่มาทำ เป็นตูปสำนับไก่ขลาไปเก็บหูงาเนเป็นเตียงไก่ขลาทานั่งเนปริสุทธางผู้ฆ่าทั้งหลายในสำคาญท่านห น, น, นุนผมทางน้่นบอกไปเอาไม้ปุนอันหนักมาปลูกไว้เป็นชิ้นชมอาศัยแต่นางสุกดา ว่านางสุดสดะคุณนายชอบขาวตายแล้วอุประธานขาวมาเป็นองกงางเผือกแต่นี้ไปอย่านิ้วหัวชกอาหารปลาตายสกิลแล้วยก็กลับขึ้นมายอยู่กระสายงานงกงานไม่นี้หัวชอบหาปลาตายไม่ีเล็ตายโอตายตายา ตายาจากชาตรงลิงานแล้วมาบ้านเกิดเป็นลูกสาวมอนทีโมร่างกายของคุณนายเต็มไปด้วยชีตกที่เปิดีโคนเพราะเป็นเนื้อครับผมงมลง ม, ม, มาว่าคุณนายได้สร้างลูกนางมอนฉันเอาทองคำเข่เาลูกฟัก ฟังว่าที่ดินคุดอมบ่อนะเมื่อได้คำแล้ย้ยาวออกทีเดียวคนแต่อพ้องรัฐบาลเขาเจะยึดเอาเป็นของหลวงคำก็เอาออกเสียหนอหมอก็าขายคำคำก็ขายเมื่อได้คำแล้วคำาะลาลาหลังหนึ่งคุดําบ่อแปดข้าเส้นาา ให้ทานอาหารหวานอาหารเค้าอาหารค้นเท่าค้นแก่งางสาวน้อยแต่สิบสี่สิหาปีไปจนถึงสิบแปดสิกเก้าบ่าวน้อยทำทามที่เถิดจนเมื่อสองคำจากทีถือแยกย้อมกับไฟสวัดนางลูกสาวชัานม่อเนี่ทับทานอย่างยงว่าน อนุปลกซึ่งแปกจากขัน ม, มนุษย์เอาวิญญาณมาเกิดเป็นลูกนัากเปรซาคาโตวากุมพันโดวากุมพันเดวัยะโควาณะคุโนวามาเกิดแล้วไม่ใช่นักชอบเป็นยักแม่เึ็นนักตัวอย่างชาวไทยครับ พ่อดับแม่ดับลกเขียะนี่ล่ะเมื่อมาเป็นลกนูกเขาเงียแล้วอายุชิหปีทญาอินสวนประกาศถึงเงีกกรมพันโดวาถึงเยบหนึ่งสี่พันตัวจงเข้ามาในราษาทลราชรรนของเราเราก็เสียงหาลูกเขยเสียงดังขึ้นไปในอากาศ ของเมียของเราไม่เกิดสุุ้่งอ่ะเงได้ลงมาอาจจะถามที่ไทยหายกายเป็นยักษ์แขกอายุแปดสิบเก้ข้าตุ๊กตาหมูยักษ์ยักทั้งหลายก็ถามว่าไอ้เบา่น้อยอายุสิบไรอายุของไอ้เบา่น้อยแปเกเฮ้ยเข้าจะตายมั้งที่ โบอายกับบ้านกับเบืองเนี้ยเท่าหัวเขาไม่เดี๋ยวไปไหว้รับถ้าเจ้าแผ่นดินประกาศไม่มาบุได้ขอขังตายถ้าเจ้าแผ่นดินะต้องการเจ้าเพชรพอยได้ถ้าไม่มาพเพดกรดโทษแคบสุขฆ่าให้บ้าสิมานาง ทศชาตเสี่ยงฟ้องอะไรแบบไมนไปที่นหนึ่งก็ไปิกซัพุปหัวห้าแกที่สองซุปหัวห้าแกที่สุปหัวแกเสนาบดีกรวมห า, า, า, า, านนเนี่ยพรเจ้าค่ะโลกเคยมหาลาพเจ้าจะตายแบบนี้ความเปียนไหนพรเจ้าที่หนึ่งจะเปลี่ย ให้เบาหน่อยไม่จบไปแล้วเข้าใจใจกดซิครเข้ามันชอบหน้อ่อเข้าหัวดอนมันชอบเนื้อสาได้เนื้อนุ่มส้มของหัวใจแม่ใแก้มอันนี้หน้าเข้ากับว่าช a บผส ย้อกาเชคหาเทพนักหายกายเป็อิอุเอาหน้าชิดยาหอกไปหน้าตากังกาพรวาขันเถ้าโมยักในพอใจยิงเตืนไฟเคลื่อยตามดิ่เป็รสารต้องลงมามนุกัราความพรมาขันพระาเอาน้าเหล้าดับมันหายพาควายเอาน้เหล้าใสพาเทน้ำใส งี่นักมเกี่เรานี่ละพราะเป็นเรียของผมนครับเมื่อแล้วบุตรนาเสดได้โตเทวุตโตนี้เทวุตอุมนนี่ริีบาร์ลอยมาไว้ชาติแกแก่เพื่อมันรรัตภูเทวลาชาตเทวุตตุนีข์เขาอยู่สุมูทชือดเขาทำยังไงออ เด็นดู ก, กับมาผลทุกเกี่ยวหน้างัวเกี่ยวหน้าควายหน้ามาขายในวันนึงใช้บุตรองค์นี้มีข้าวหอนให้เกี่ย ว, ยยยวยห้าตาสองแม่ลูก้าไปใช้บุตรองค์นี้เอาข้าวโยนให้แก่ตาแม่กาคาบเปล้วลูกกาชอบหัวลูกเพรความอยู่ เทวบทที่จนโยนเข้าให้แก่กาแม่กาจิงอินแล้วแก้แก้แก้แก้ลูกกากรมาอันนี้แหละเขาจะตายและเลิกผนคาเข้าแกกาจึงเอาดิญญานมาเกิดเป็นเทวบทนี่พระพูมเจ้านั่งอยู่บนฐานสุดท้ายโตะโพทิสัตพระพูมิเจ้าเมี่ตายนอพุทธกุล อันนี้รัอันนี้นางเลี้ยงทานานางฟ้านางสวรัติมาหลายล้านหลายแสนเสื้สัน้นมาหนัะอย่างแก้วอย่างทองหลายเรื่องนั่นคือใครละ่ะนั่นละพระเมรัยเมื่อมาเชีงแรกขอท่านพระคุณเจ้าถามมาเถิดที่ญาญ่าชนาอนาอกไปอยู่ประสาท ตัวภูทินะโระเมตไทร์่ะโคตเเ็นระโดยบาลามีนี่ชุดอระสงขายแสร็ากับมาถึงแล้วไปไว้ข้าพระเจ้ชุลมันดีเจดีย์สุดเจาสำเร็จเสด็เข้ามาพระพูเป็นเจ้ามาจากไหนสวายสัพพท์บาเทศตลาดสุพรร อาต ม, มามาจากสุภูริน้ำกาเรเป็นลูกิที่เจ้โคตมะ๋อและจึงมาเห็นอาตมาจะขอทามนี่นนลูกก็ไ ม, ม่ใจยอมนี่ละพระภิกษเจ้าเมื่อไหร่จกงจะลบไปช่วยศาสนาจากโคตมะถ้าคคตจะไว เมอสาธนาราเจ้าโคตมะศูนยากาับไม่มีพุทธศาสนาไม่จะฆ่านมนุษย์ฆ่าทั้นตีไปแล้วนะมนุษย์ขอโทษไม่รู้จักแม่ไม่รู้กับท่อที่เอ้ยอกับน้องกับนี้น้องเอาที่นี่ขอโทษยอย่า ง, งวางอย่างควายอย่างแพ เพื่อกายกนณีบอกเพื่อการกรณีขายตามกันกรณีอย่างเช่นเดียกขาดเกิดมาให้ท่นท่านตายเกิดค่ากันฟันกันแยกตามกันเจ้าเปนข้าเป็นยาข้าเป็นยาลบกันบานลบกันเลือกไหลในแผ่นดึงแล้วควนที่ัวรตายยิงก็มีใครกั น, นกมีเป็นยุทธ์ต่า เพราะการมาสัมอากันอย่างกัวอย่างควายเกิดข้ากันมัดเลือกเน่าไหลไปในพืชดินแส้ธาตุดูดมัดฝนแค่ตอกกมาตั้งกักหยคนเชื่อก็มีศีลตายมานยิงมีตายมมนมฆที่ไอยู่ป่ายันแล้ออกมามาถา ม, มาทำดีไหมอยู่ที่นั่นเมื่อวนี้เมตาสเชนกันนะครับ เกิดมาเสพโคกันเกิดโลกมาอายุสามสิบปีจตายโลกสามสิปีเสพเพื่อหกิปีจตายโลกหิปีห้ารปีจึงตายโลกห้ารปีพันปีจึงตายโลกพัปีสองพันปีทวีปดหมื่สี่พันปี งามที่สุดคิดถึงแน่ยิงใบหน้าอยางเดียนได้หาคำพ้นสิ่งเมืนขันสีหลังแก้วมานนโสดไม่มีสีดำตาบอดหูหลวกปากแหล่งเคโทษเคกะเค้เทียงเค้เที่ยงนดีลูาลำน้ลกศิษ ไปแมนี่พัปล้วมเจ้นากรรนี่ยคนเรา่ะนีตายหรือเข้าจะแป๊กนีปีละไม่ตายบ้าข้าตายบอกไฟแม่เกิดขึ้นไปในอาปาศว้า้ามัดดินยังงบคนเราเน่มันมดอจะตายบ้าโคตรอไม่ใช่เสียงมกนา อายุมนย์ย้อนมาสี่หมื่นปีเไหย้อนเสลงไปสุดอายุขึ้นสี่หมื่นปีแล้วย้อมจะลงไปเส้นศาสนาตายขึ้ตายข่นยอนลงมาสี่มื่ปีย้อนจะลงไปเกิดเมืองเจตตตนาคอเจ้เมืองอะไรไม่รู้ได้เกิดแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสองหมืนปี เป็นอนุเลออบบุตรเช็กวังเช็เป็นอรหันต์เทระพระคุณเจ้าถ้าผู้ใดจะเห็นหน้าพระเนตรไปเนื่อจงฟังรมเดชเทระให้แล้วไม่็นงคนเดียวจะเห็นงานโยมอะคนไม่เห็นงานโยมนะข้าพ่อข้าแม่ข้าพ่อเท้าข้าแม่เข้าไม่เห็นงานโยมแล้ว สังฆเพศนิยให้สงเพศการปเห็นนันอยู่แล้วบาลบาลเพศน่ยให้มันต้องฆ่ากันปเห็นอันอยู่แล้วทำลายรอยพุทธบาทพระพุทธเจ้าก็ปเห็นอันอยู่แล้วทำลายไม่โพธิเทพพุทธเจ้าดัลุบัเห็นอนอยู่แล้วเทชายุสีกาสร้างรอยพุทธบาทเป็นพุทธบูชา เขาไมไปูก่ำลายเ็ไม่เห็นนายลมนี่าคนไยุดนยอมไม่เห็นนายมเห้นควายข่าควายเห็นคนข่าคนไม่เห็นนายมลักนาคิกนกเขือรักนกรไก่ไมเห็นนายลมปาเพชเป็นในการเสีกรรมเสียัวเสียบควายเสียบเรียงนายมสับปะริห้บันนี่ยังไมเห็นเห็นแล้วไม่นยม พวกนี้เมือ่อโยกไปเกิดเขาอยูเอารีๆนะพระคุณเจ้านะบ่าบเหน็นแบบเท่นะพระคุณเจ้าจงเอาทำมานี้ไปประกาศในสิน่งคุณใด้ตัวช่วอยากเห็นานายยอมสร้าทงทํงเทาเดชสรให้ได้ไม่หนึ่งเดียวให้ภ า, า, า, า, า, าครัการกุศลใส้บาทจากน้ำเมื่อนยังงนมเลี้ยงลูก เลี้ยงหลานทานลูกตั้งตัวหลังตัดตัวโคกทิ้นไปดำดาจงชล้าออกบวดกายครับใจกายนะยังใจไรนุ่งผ้าขาวแปดข่ำผ้าขาวเสื้ขาวนอกเอาหน้างกันอยู่ข้างหลังให้บวดใจบวดใจยังให้น่พระคุณเจ้ากายไม่ขาด กายก่อการเป็นสิ้นกายก่อเป็นสิ้นกยงากายไม่ลับครับกายก่กายเป็นใสสิ้นกายงาออกบวชไม่มีผัวเมียกายก็อกายเป็นใสสินกงากายไม่คิดปดกายเป็นสิ้นกายเป็นสินางกายไม่กินเล้ากายกอกายินยกข้ เจ็ดไมยขาดทับเจ็ดเป็นเส้นเป็นสายเจดกับเป็นนิทานเหัวใจเจ็ดไม่หักทับเจ็ดเป็นเส้นเป็นสายเดกับเป็นนิทา t หัวใจเจ็ดออกบัวขาทัขาเนี่ยเจ็ดเป็นเส้นเป็นสายเป็นนิทานเจ็ดไม่เชิดบกทอละยอดจอมหงเจ็ดเป็นเส้นเป็นสาเจดกับเป็นนิทานเร็ดไม่กินเหล้า เด็กไม่โตทีเดเป็นสิทธิราชรัใคธรรมภาวนาโพธิ์อัหันธรรมอหันสหัวันโพธโทว่าโพธทอัหัโพธโอหัโพธรธรรมอัหันธรรมอหัอหั ให้พระผู้เป็นเจ้าไม่ประกาศศาสนาคาถาพระมลายบอกไว้ถอาผูดด้ใดได้แล้วขอให้ภาวนาอันนี้เถิดถ้าไว้ได้แก่เจ้าคุณสมเด็จท่กระไรและธรรมะสสะสโคคุณตาคุณยายพวกเราถือุทษันนี้หลพกทษพูพยังเอาบุญได้กับตุนธรมรมาถ้าอาจารย์ที่จะละสนุ พักบายมาอะไรเนี land, not, it is, it is ่ยสูตรยามย่อขอบปฏิรชนุติเนีาวบริวาอาปูาลิปเลตุสักหังเกวามกันเตตันอุปกระปฏิสังเกตสังกตควเมสุสทราบทปูเลตูสังกป่าจันทพบัญญาสู้จะท้ามันในสูตรทีรสู้นทาทราบี่สิญยวีวัสุ่ภาคูวินตมาเต สวัตวนสายโนสุขิจิกาโนโกะภาวะภาพิวาธนะชีริติงชาปจานโจิโรจตารโรตะอจิวโนโสุขังพลั ง, ล ง, ล ง, ล ง, ลงอจิวโนสุขังพลัอนสุขังพลัวัดดและยอดมามันใหญ่ว่งขอ ง, ของ้ ก, กุศเขมผัวกุศไปเป็นเนียอชาจนคนณ้ อยู่สองสามวันเนื้อไจะกระอักยุงอาบนั่งเห็นเลือนี้อแต่คนที่เป็นหัวไม่แห้งง่ายกองกองก็ะน้่อันนี้ตามไปมึงรักมือต้อยหัวกันทนนี้ก็่ไรเนี่ยแม่กแม่เมึงอซัดกันคูดเดียวกันใส่รัวให้กันเข่ากันด มันเท่ากันปั้มกันคมกันเท่ากันเอ๊ะยังก่อนเนาะเรียกเนี่ยโอ้ยครูเดียวกันครูเดียวคนขนาดมวยกับคู่เดียวกคนดับครูเดียวเลิเลิกเลิกเขาจะเอามันไปสัแต่เกามันเป็นเรียกพระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่ามันซกพระเจ้าแผ่นดินลงหิวมันเอาถัวกุด เอาผอกุดแล้วท่้งไล่คลานี้ม่อยู่ที่น่มาเอากับผมมันก็เข้มตั้งสั้นยาวๆนี่อ่ะโราณจังวะหน่งสี่วบห้าวหนึ่งพระเจ้าให้นดินสองให้กุดสามไล่สี่สี่วแล้วมันต้องเอาเนียคนเดีวลเราจะเอา เลิกเร์อเขาก็ไม่เอามันก็หนีตามผัวใหม่ดาคุณตามผัวคุณไม่เอามึงห น, นีตามผัวเก่าดาตามผัวเบาเขาเลยหนี